ทุกเป็นของควรกําหนดรูทุกนะ่ะเป็นของควรกําหนดรูอะไรเป็นทุกความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกอืม ความโศกเศร้าเสียใจพี่ไร่ลำพันธปรารถนาสิ่งนี้แล้วไม่สงความมุ่งหาดปรารถนานี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันให้ทุกข์นี่ไม่ใช่วิ่งหนีท่านให้กำหนดรูก้กำหนดรู้มาที่ตัวเราเนี่ ดูเข้าไปที่ตัวเรานี่ยแหละความเกิดเราก็เกิดมาแล้วความแก่แล้วก็เริ่มดําเนินการเข้ามาตามดำเนินไปตามลำดับอยู่ต่อไปกับความตายเข้ามาความเกิดความแก่ความตายอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านี้คือทุก แต่เราเพิ่มเข้ามาความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นต้องกำหนดรู้ว่าทุกคนมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราทำอย่างไรเราจึงจะหนีจากกองทุกข์นี้ได้ เกิดมาชาติไหนพบไหนเราก็มาเจอแต่ทุกเหล่านี้ไม่ว่าเกิดกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันก็มาเจอทุกนี่แหละทุกเพราะเกิดทุกเพราะแก่ทุกเพราะเก็บทุกเพราะตายนี่แหละเกิดมาก็มาเจออย่างเหล่านี้ มีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นนั่นเยโตชัยตโส โ, โกมีความโศกมีความรักที่ไหนมีความโศกที่นั่นความทุกข์นี่เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่ของโลกความทุกข์พ่อแก่ความทุกข์พ่ะเก็บความทุกข์พ่อตายความทุกข์พาะเกิดพาะแก่พาะเก็บพาอตายเป็นเรื่องใหญ่มากเอาแค่เก็บใครได้ป่วยโรงพยาบาลสร้างก็ไม่ว่าดไม่ไหวหาที่พักที่นอนไม่มี สร้างหลังใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งมากขึ้นคนก็มากขึ้นคนเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นทุกข์เราก็หนุรู้ตัวเราว่ะเราก็มีแขนขาเหมือนกันมีตัวมีตนเหมือนกันมีสังขารร่างกายเหมือนกันเหมือนกับคนๆนอื่นๆ น, นั่นแหละ คนอื่นๆก็เหมือนอย่างเราท่านจะให้กับนนล่รั่วตัวเรานี่ถ้ายังมีเกิดอยู่ตราบใดยังมีเกิดอยู่ถ้าเราหนีความเกิดจังไม่ได้ความทุกข์ก็จะตามมาตา ม, มาแน่นอน เรานี้เกิดได้จึงจะหนีทุกได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกอย่างเป็นมนุษย์นั่นแหละเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็ทุกอย่างเทพเทวดาพาอยังมีทุกอยู่แต่มันน้อยมันในเหมือนมนุษย์มนุษย์ในมีทุกมาก เป็นเทเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมก็มีทุกข์อยู่แต่ว่าน้อยสูกมากกว่าถ้าเป็นพระลิบุคคลโสดาสกิทาคานาคารหารันอันนี้เป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์ไปเป็นขั้นๆจนเป็นพระราหัน เป็นพระราหันไม่มีทุกข์เลยในใจไม่มีทุกข์เลยแต่ทุกข์ทางกายมีอยู่แต่ทุกข์ใจไม่มีส่วนพระเลี่ยวคนโสรบันเขายังมีทุกข์อยูอ่แต่ว่าทุกข์ไปแล้วยี่าผ่านทุกข์ไปแล้วยี่าเ็น สกิทาคามีผ่านทุกไปห้าสิบเปอร์เซนอนาคามีผ่านทุกขึ้นไปคือลดทุกจากใจลงไปได้ถึงเจ็ดิห้าเปอร์เซ็น์เป็นพระอรหันต์ทุกหมดไปเต็มร้อยเลยไม่มีทุกในใจเลยเนี่ย เราเกิดมาชาตินี้พบนี้เราก็โชคดีอยู่เพราะได้มาพบทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพ บ, พบหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ปฏิบัติตามคือมากคแปดสมาทิที่ความเห็นชอบสมาสังปะความดำดีชอบ สัมมาวาจาจีรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิมีสมาธิมั่นชอบ ทางแปดอย่างนี้เป็นทางปฏิบัติไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้าทางแปดข้อแปดอย่างนี้เราจะพ้นจากทุกข์ทีเดียวสมาธิเห็นชอบเห็นอะไรชอบก็เห็นทุกข์นี่แหละเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเก็บความตาย เกิดเราก็เกิดมาแล้วแก่เราก็กําลังไปเจ็บตายนั่นแหละให้เห็นความทุกขา น, นี้ถ้าเรายังอยากมาเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีต้องมีอยู่ตราบใดที่ยังมาเกิดก็ต้องมีทุกข์อยู่ตอนนี้ความเกิดให้ได้ ความเกิดเป็นเรื่องอะไรอะไรทุกอย่างสารพัดทุกอยอดทุกร้อยแปดน่มันไม่ใช่มันมากกว่านั้นอีกร้อยแปดมันมากกว่ามากกว่าร้อยแปดด้วยเหตุนี้ขอให้พิารณาเข้ามาที่ตัวเรา ว่าเรานี้มีทุกทุกต้องกำหนดรู้ว่าทุกมีทุกในตัวงเรามีอยู่เราก็เห็นอยู่่คนเกิดเราก็เห็นแต่ว่าทุกอย่างไรเราก็ไม่ตอนเราเกิดเราก็กำหนดอะไรไม่ได้เลยแต่ท่านว่าทุกความเกิดยังเป็นทุกอย่างดีก็ได้ร้องขึ้นคำเดียวเท่า น, นั้นเอง พ่อจากคันมารดามาแต่เราก็ไม่เห็นชัดเจนว่ามันทุกอย่างไงแต่เราก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระองค์ตรัสว่ามันเป็นทุกข์ความเกิดเนี่ยเราเชื่อในพทุทธเจ้าว่าความเกิดเป็นทุกข์ส่วนส่วนประกอบของความเกิดคือการทํานั้นทนํานี่พี่น้องญาติมิตรทั้งหลายอะไรเหล่านี้ลํำบากลำบนนั่นนั้น อันนั้นเป็นความทุกข์ของคนอื่นภายนอกไม่เกี่ยวกับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่เกิดเป็นทุกข์แต่เรามีเกิดมันก็ทุกข์เรื่อยไปท่านจึงให้กำหนดรลกให้กบหูดโูกว่าความเกิดเป็นทุกข์เราดูให้ดี การเกิดนี่นำมาทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาสละเสิญสุขทุกอืทุกเรานี่ก็ตามมาทุกพราะเก็บใครได้ป่วยก็ตามมาทุกพวกความแก่ก็ตามมาทุกพวกความเก็บก็ตามมาทุกพราควา ม, มาตายก็ตามมาอืม ตามมาที่ไหนตามมาที่ตัวเรานี่แหละเพราะมีเราแล้วก็มีเกิดและมันนี้มีทุกข์มมีตัวเราเราก็มีทุกข์ตามมาทุกติดตามมาเราต้องหนีทุกข์ให้ได้ด้วยการปฏิบัติ อย่างเราทำอยู่เดือนนี่ก็เดียวเราหนีทุกหนีทุกในวัตฏะสงสารอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้เป็นพระโสดาบันก็จะหนีจากทุกไปได้พอสมควรเนื่อสั้นเข้าถ้ายัางคนที่ยังไม่มีมากมีผลเลยนี่โอ้อันนี้มันกำหนดไม่ได้เลยว่าจะเราจะเกิดอีกกี่พบกี่ชาติ เมื่อไหร่เราจะได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราจะได้รับฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้กําหนดไม่ได้เลยชาติน้าเธอะถึงภาษีอลิเมตไดถ้าเกิดเราทําชั่วทําบาปเราก็ไปตกต่ําอยู่ในโลกอื่น เราไปตกอยู่ในนรกนานแสนนานเนี่เราไม่ได้ฟังธรรมหรอกเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้รับเสวยแต่ความทุกข์พระพุทธญาติสรู้แสดงธรรมไว้เราก็ยังไม่พ้นจากนรกเราจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงเราจะไปฟังธรรมได้ยังไงเพราะว่าเรายังติดเหมือนคนติดคุกติดตาราง เขาจะสลองอะไรต่อมีอะไรหรือว่าพุทธชยันตีมีการประชุมแห่เวียนเทียนกันทั่วประเทศทั่วโลกแต่เราอยู่ในโคกเราจะแห่เวียนเทียนที่ไหนมันไม่มีโอกาสเลยนั่นแหละยกตัวอย่างให้เห็นถ้าเราตกต่ำแนละ้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขตัวเองให้หมดทุกไปได้ แต่ถ้าเรามีโอกาสอย่างนี้นะ่ะมีโอกาสแล้วเนี่ยพราะพุทธเจ้าก็จะสรุปแล้วคำสอนขององค์ก็มีอยู่แล้วมันเหลืออยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามหรือไม่แต่ขณะนี้เรากำลังปฏิบัติตามมันนี้ถูกต้องแล้วนี่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมีหวังเรามาแล้วเราต้องเอาให้มันได้ เล็กเกน้อยอดทนเอาให้มันผ่านพ้นขึ้นไปทำให้มันได้หนีให้มันได้หนีจากกองทุกอันนี้บ้างอย่าให้มันทุกเต็มร้อยถ้าทุกเต็มร้อยเต็มพันมันไม่ไหวหรอกไม่ไหวทุกนี่จะทำให้เรา วุ่นวายทำให้เราไม่มีความสุขเลยเพราะนั้นท่นจึงให้พิจารณาทุกมันเกิดได้ทุกมันก็ดับได้ทุกน่ะเกิดได้ดับได้เกิดขึ้นมาได้ดับไปได้ให้ ด, ดับทุก ทุกเกิดเพราะอะไรเพราะความอยากอยากไม่แก่ไม่เท่าอยากมีเงินมีทองอยากมีรถมีเรืออยากมีนั่นมีนี่มันเพราะมีตัวตนนี่เองมันถึงอยากพราะมีตัวตนนี่แหละความอยากมันถึงมีเมื่อไม่มีตัวตนความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้ ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่างกายไม่มีอะไรเลยเป็นอนัตตาหมดไม่มีตัวไม่มีตนทุกจะไปยึดที่ตรงไหนไม่มีอันนั้นเรียกว่าถึงที่สุดแล้วพ้นจากทุกแล้วแต่เรายังไม่พ้นจากทุกนี่เราก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดา เราก็ต้องปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เป็นหนึ่งทำใจของเราให้มีอารมณ์เดียวไม่ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ส่งตามเรื่องต่างๆให้มีความรู้สึกหนึ่งเดียวคากลาบอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่ฝึกให้มันได้ฝึกให้มันถึง เราเพิ่งฝึกบางคนก็อยากกลับบ้านอยากอะไรพอมาเห็นเหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยก็อยากกลับแล้วเรียกว่าคนไม่สู้จะไปทําอะไรจะสําเร็จให้นั่งเฉยๆยังยั ง, ย, งยังเบื่อหน่ายแล้วยังหมดกําลังใจแล้วอันนี้เราเราเราไม่สู้แต่ก็มีบางท่านท่านละ่ะแต่ว่า เอาอนันก็ต่อสู้อดทนหนักเหนื่อยขนาดนหนก็อดทนอดทนปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าให้เกิดมาเกิดผลขึ้นมามทำตามต้องได้ดีเพราะคำสอนพุทธเจ้าเป็นอาการลีรโกไม่ประกอบด้วยการไม่ใช่ว่าในขั้งพุทธการนั้น คนจึงได้สําเร็จมากผลไม่ใช่ปัจจุบันนี้ก็สําเร็จมากผลได้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติก็สําเร็จมากผลได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าสําเร็จได้เฉพาะครั้งพุตธการบางคนก็ชอบพูดว่าโอ้ยสมัยนี้ไม่มีมักมีผลหรอกหมดแล้วหมดสมัยแล้วมันไมโหมด มันหมดสมัยได้ไงพุทธเจ้าตรัสว่าตามใดที่ยังมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันเลยนุ่นโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันเลยนุ่นถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหรั น, เ ร, เ, นรหรเราเข้าสู่จุดสําคัญเลยในการปฏิบัติ ทำจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาตัวของเราตัวของเรานี่ตัวยึดตัวถือนี่จิตใจมายึดมาถือเอาตัว ต, วตวนนี่มาหลงว่าเป็นของเราของเรานี่เราจะทํำยังไงเราจะแก้ไขยังไงในตัวตวนอันนี้ ท่านก็พิจารณาเห็น้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงตัวตัวนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยตึกรามบ้านช่องหรือศาลากา ร, ปรเปลี่ยนศาลาปฏิบัติธรรมนี่ อีกร้อยสองร้อยปีข้างหน้านี่ต้องซ่อมแซมแล้วแต่จะใช้ดีไม่ดีอาจจะผุพังไปหมด น, ะนั่นนหละจากอนไม่เที่ยงอันนี้วัตถุภายนอกมันไม่เที่ย ง, นนยยงตัวตัวของเราเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีใจคลองหรือไม่มีใจคองก็ตามไม่เที่ยงสักอย่าง ให้เราเห็นชัดตรงไปในตัวของเราเนี่ยเราเกิดแล้วเราต้องตายแน่นอนถ้าใครเกิดขึ้นมาปั๊บก็รู้ได้ทันทีว่าคนนั้นจะต้องตายตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยละ่ะถ้าเกิดขึ้นมาเป็นคนปั๊บความตายแน่นอนเลยตามมาทันที พร้อมพร้อมกับการเกิดนั่นแหละลงถือปฏิสนทธิที่ในคันมารดาเมื่อไหรเมื่อนั้นก็รู้ชัดเลยว่าจะต้องตายตายตั้งแต่เป็นก้อนเลือดก้อนเนื้ออยู่นก็มีแม่ตั้งท้องไม่รู้อะไรก็ไปกินเหล้ากับเข้าไปลูกก็คลอดแหละตกนะอะไรนะ ถ้าลายเนะี่ยตายเนยะเออถ้าไม่รักษาอย่างดีคออออกมาเป็นคนอ่นเป็นคนแล้วก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนมีอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้าสิบร้อยปีตาย ร้อยปีตายเลยแต่ว่าไม่ถึงร้อยนะเจ็ดสแปดสิบนี่ก็พอแรงแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็แปดสิบพรรษาแปดสิบปีพระองค์ก็ไปลินนี่ผ่านอย่างพวกเรานี่ก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่แน่นอนที่สุดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริง เราอยากคิดว่าไม่เป็นเราเห็นคนอื่นตายเออคนนี้นตายถ้าเป็นญาติเราก็เศร้าหน่อยถ้าเป็นคนอื่นก็เฉยๆแต่ถ้าเป็นคนที่เราชังกันมานานตายลงเออดีแล้วมันเป็นไงนสมน้ำหน้ามันเนี่ย เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีไม่ว่าท่านหญิงท่านชายเหมือนกันหมดหรืว่าเป็นพระเป็นสงฆ์เหมือนกันถ้ามีตัวตนขึ้นมาแล้วมันต้องตายแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่พิจารณาให้เห็นความจริงว่าสิ่งนี้จะมีกับเรามีกับตัวของเรา เราจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนพิจารณาให้ดีเถอะพิจารณาลงไปมันเริ่มเก็บเริ่มปวดเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยเริ่มเสียหลักการตลอดเวลาละ่ะมีเข่าก็ปวดเขา่ามีแขนก็ปวดแขนเลย ม, มีขาก็ปวดขามีเท้าก็ปวดเท้า มันเริ่มบอกอาการว่าใกล้าตายเข้าไปแล้วมีหัวก็ปวดหัวมีแขนก็เก็บแขนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ก็มีเป็นโรคมะเร็งใครเป็นแล้วก็นับวันเลยบันนี้ หนึ่งสองสามไปเลยแหละไวอันนี้มันไวเป็ดแล้วมีตายทันทีตีอีกร้อยปีข้างหน้าเขาก็หาวัตถุกแก้ไขได้เหมือนข้างพุทธการน่ะคนเป็นโรคเป็นท้องอืดไม่มียากแก่กินแล้วอาหารไม่ย่อยตายทันที ไม่มียาแก้เลยปัจจุบันในง่ายนิดเดียวท้องอืดปับ๊บกินยาธาตุยาอะไรนี่เข้าไปปับ๊บหายเลยแต่ก่อนมันไม่มียาชนิดนี้เลยเพราะพุทธเจ้ากำหนดยาสำหรับพระสงฆ์ก็คือมีแต่หมาดพ่อม้อและสมอทนันเองนั่นละยาของพระ หากินแล้วหายแต่ไม่ใช่หายตลอดไปไม่ตายเลยนะถึงอายุไขก็ต้องไปเหมือนกันพูดง่ายๆว่าตายเหมือนกันมีอินทรีย์มีชีวิตอยู่ก็ตามหรือว่าไม่มีมีใจก็ตามไม่มีใจก็ตามเหมือนกันหมดจะต้องสลายหมด ตายหมดไม่มีเหลือสักอย่างแต่ว่าช้าหรือเร็วอันนี้แล้วแต่แต่ช้าหรือเร็วท่านเองนั่นะนี่คือความจริงความจริงที่เราจะต้องรู้ความจริงที่เราต้องพิจรารณาพิจารณาเข้ามาตัวเราเนี่ย ว่าเราจะต้องตายแ น, น่นอนก่อนที่เราจะตายไปจากโลกนี้เราต้องเอามาผลให้ได้เราต้องเอาความสำเร็จในธรรมของพระพุทธเจ้านี่ให้ได้ปฏิบัติธรรมนี่ให้ได้เราจะไม่มาเกิดในภูมันต่าเลยสัตติลักษเตดสัตว์ใ น, นโลกเราไม่ต้องไป มามนุษย์กับสวรรค์เกีดชาติเท่านั้นอย่างชา้านะนี่ส่วนพระนิพพานก็หมดเลยไม่มาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกเลยนั่นแะให้ปฏิบัติปฏิบัติก็คือกำหนดรู้นั่นแหละแล้วกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ตามคำที่แสดงให้ให้ัง ว่าคนเกิดมาต้องตายเป็นเด็กก็ตายได้เป็นผู้ใหญ่ก็ตายได้เป็นคนแก่คนเฒ่าก็ตายได้ท่านว่าอตีตางนานาขมยยะนปติกังเนะขนขกตังปจุปนังจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐาวิปัสสตินั่น ไม่ให้คำนึงถึงอดีตไม่ให้คำนึงถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันทำามจึง ท, ทำงั้นก็หาวิธีหนีจากทุกข์ันแหะเราอยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่ในลมหายใจเข้าออกนี่เราปฏิบัติเอาจุดสำคัญเลยเอาใจนี่แหละตัวใจนี่แหละซะก่อนใจมันคิดนึกสงสัยนั่นนี่ มันไม่จบมันไม่สิ้นก็ต้องแก้ไขกันด้วยวิธีที่ทำให้มันดีให้มันเจริญให้คิดว่าเรานี่ยังไงยังไงก็ต้องไปแน่นอนเนี่ยมันเป็นขอไม่เที่ยงมันเห็นชัดเห็นชัดที่สุดเลย คือความไม่เที่ยงมีแก่มีเก็บมีตายเกิดแก่เก็บตายเป็นของให้เห็นชัดเลยว่าสังขารร่างกายตัวตนของเรานี้ตกตุลในสภาพอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่ น, นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายอะไรจะต้องทลํล่ะ จะทำอะไรบ้างทำความดีให้กับเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าเรื่องใดๆถ้าเป็นความดีให้เราทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติทำให้ถึงมรรคถึงผลนี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราได้มรรคได้ผลนี่โอ้สบายใจเลยคราวนี้สบายแล้ววันนี้ เราตายไปเราก็ไม่ตกนรกไงมาเกิดอีกเกียรตชาติก็ไม่ตกนรกนี่นี่เรียาในชัวดาวันเราไม่ไปตกนรกไปสวรรค์กับมนุษย์นี่แหละที่เอามามนุษย์นี่เกียชาติท่านเองก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหัน응ต์เกียชาติก็ไม่ตกต่ํา응ไม่ได้ไปเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิต้องเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบ ตระกูลที่มีความเห็นชอบพิจารณาลงไปมันจริงหรือไม่ที่อาตมาที่บายมันจริงหรือไม่ลองพิจารณาดูสิอธิบายตามองสอนพระพุทธเจ้าเพราะพรุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นจริงทุกอย่างเถียงไม่ได้เลยเ่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เกิดแก่เก็บตาย เกิดขึ้นมาได้ก็ตายได้อะไรอะไรทุกอย่างไม่เที่ยงเลยตัวตนของเราก็ไม่เที่ยงต่อไปก็แก่เท่าชราภาพตายไปถ้าอยู่ได้นานก็นานก็มีไม่นานก็มีอย่างนี้เป็นต้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ต้องกาหนดรู กำหนดรู้ลงไปให้เห็นว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ <c oughs> ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เลยเรานั่งนานๆมันก็เหนื่อยก็เมื่อยนั่นเปุกนะ นอน น, น, นานๆก็เป็นทุกข์เหมือนกันยืน น, นานๆ ก, ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเดินนานๆเดินไกลก็เป็นทุกข์เหมือนกันพู ด, ดง่ายๆว่าเมื่อไม่เที่ยวมันก็ต้องเป็นทุกข์ คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องไหลไปตามหน้าที่ไปไปตามเรื่องของมันถ้นทังว่ามันเป็นทุก์เป็นทุกคือทนอยู่ไม่ได้ลองให้นั่งทั้งวันทั้งคืนเราทำได้อยู่ประมาณสองวันสาวัน แต่เป็นปีเดอะเราทําได้ไม่นั่งตลอดเลยไม่ต้องพลิกไปพลิกมาไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเปลี่ยนท่าเป็นทุกไหมทุกทุกแสนจ้าหัดเลยแหละนั่นแหละเป็นทุกแล้วเป็นอาาัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่านี่เป็นของเรานี่เป็นของเราไปยึดถือไม่ได้เลยไปยึดถือตาว่าตาเป็นของเราเราบอกว่าไม่ให้ถ้ามันเป็นของเราเราต้องบอกมันได้ว่าอย่ากเก็บนะตาอย่ากเก็บนะตานี้ให้อย่ากเก็บอย่าป่วยอย่าเป็นนั่นเป็นนี่นะอย่าเป็นโรคเป็นภัยนะ ห้ามได้ไหมพอแก่เท่ามาก็เออเริ่มตาฟ้าตาฝางนั่นหรือยังไม่แก่ไม่เท่าก็เริ่มมีเจ็บตาตรงนั้นตรงนี้นั่นพูดง่ายว่าไปยึดถืออันไหนอันนั่นก็ไม่มีตัวตนแทกอย่างไม่อยู่ในอำนาจของเราเอตังม ม, ม, ะ, เ ม, มนะเอโสหมัตสมิหน้าเอโสเมอตตา อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเอตังมมมะนี่เป็นของเราอันนี้เป็นของเรามันไม่เป็นของเราจริงๆอย่างตัว ต, วตวขนของเราเนี่ยร่างกายของเรานี่ก็ว่าเป็นของเราอยู่ แต่เมื่อแตกดับสลายตายไปล่ะเราไม่ให้มันตายมันมันจะอยู่ในอำนาจเราไหมเราไม่ให้มันตายให้มันอยู่ในอำนาจของเราได้ไหมเราบอกว่าอย่าตายนะอย่าเก็บนะอย่าป่วยนะอย่าเป็นไข้นะเราบอกได้ไหมมันฟังเราไหม มันเชื่อเราไหมมันทำตามที่เราบอกไหมไม่เลยมันไม่เชื่อมันไม่ฟังมันไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของเราเลยเราจะว่าเป็นของเราก็จริงอยู่แต่มันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันก็มันคือไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานันเดิถ้าของเราเราต้องบอกได้สอนได้ต้องอบรมได้ต้องจัดแจงจัดการได้อันนี้มันจัดการยังไงก็ไม่ได้ว่าจะแก่มันก็แก่ว่าจะเก็บมันก็เก็บ ว่าอย่าตายมันก็ตายมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเห่างนันเราต้องพิจารณาว่าโอ้นี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวนี้เป็นตัวตนของเราไหมเป็นทําไมพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นตัวตนของเรา หมายความว่าเรายึดเราถือเอาเป็นกิรังยั่งยืนไม่ได้เพราะของนี่จะต้องแตกสลายตายดับไปอยู่จะถือเอาแขนนี่แหละเป็นของเราจริงๆก็ไม่ได้ถือเอาผมเป็นของเราจริงๆก็ไม่ได้ไม่อยู่อำนาจของเราสักอย่างเราห้ามไม่ได้เราว่าไม่ได้เราสอนไม่ได้เรา อบรมให้มันดูในอำนาจของเราไม่ได้เลยมันไปตามอำนาจของมันคือความเสื่อมสลายเป็นที่สุดคือความแตกดับนั่นมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราจะหลงไปยึดไปถือเอาว่านี่ของเรานี่ของเราให้พิจณาลงไปที่ตัวเราเนี่แหละ ว่ามันไม่เป็นของเราจริงๆเพราะพุทธเจ้านะ้าสอนสอนบรรจารย์ทั้งห้าอนัตตลักษณสูตรลักษณะที่เสมอกันเสมอกันหมดคนในโลกนี่หรือว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาเหมือนกันหมด ท่านจึงมาให้ยึดถือให้ปล่อยวางปล่อยวางจนว่าไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของเราเราจะยึดถือเอาให้วาง ให้วาความยึดความถือในตัวตนนั้นนี่ว่ามีเกิดแก่เก็บตายมีความไม่เทีย่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นหน้าตาอยู่ในตัวเหล่านี้ให้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยให้มันเห็นความจริงถ้ามันไม่เห็นเราต้องเข้าสมาธิให้ลึก จนเหลือแต่ผู้รู้นั่นถอนสมาธิจากนั้นออกมาพิณาใหม่พิณาในตัวตนของเราเนี่ยพิณาลงไปเราก็จะเห็นชัดทันทีว่าโอ้มันเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดพระองค์ตัดไว้จริงๆนะนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเหมือนน้ำบนใบบอน หรือน้ำบนใบบัวพอต้องแสงพาอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปชีวิตของคนเหมือนน้ำบนใบบัวเกิดขึ้นมีอยู่ชั่วระยะหนึ่งในที่สุดก็แห้งเหือดหายไปตายไปหมดไปนั่นแหละท่านจึงให้รีบเร่งสร้างความดีให้ได้ ปฏิบัติทรรให้ถึงมากถึงผลให้มีสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันแน่นอนถาวรเ น, นี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจพิจารณาถึงความจริงเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ถึงร้อยปีหรอกเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่ก็พอแรงแล้วนี่ ผู้ที่มีอายุถึงเจ8ดิแปดสิบนี่ถือว่าทนมากอยู่ถือว่ามีอายุยืนยาวให้พิจารณาซ้ำไปซ้ำมานงี้ยเราจะเห็นชัด ในความไม่กี่หลังยังยืนอันนี้ที่นาเข้าไปเขนขาตีนมือเท้ามือเหล่านี้อีกร้อยปีข้างหน้าเป็นฝุ่นหมดเลยเป็นฝุ่นมดเป็นเท่าเป็นฐานมดเล่ละ นี่แหละให้พิจารณาลงไปเราเอาส่วนไหนไว้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี่เราเอาไว้ได้ไหมเรายึดเราถือเราเก็บเรารักษาไว้ได้ไหมไม่ได้มันตายแล้วมันก็ไปตามเรื่องของมัน ใครจะไปเอาไว้ไม่มีใครเอาไว้หรอกสลายเป็นที่สุดอะเหมือนคนที่ตายแล้วเนี่ยสมมติว่าตัวเราตายแล้วเอาไปเผาไฟไ่เผาให้ไหม้เลยไหม้หมดทุกส่วน แล้วเอามารวมกันหน่อยส่วนที่เป็นฐานก็คือกระดูของเราส่วนที่เป็นเท่าคือไม้และเนื้อหนังมังสาของเราเอาบทให้ละเอียดทั้งส่วนที่เป็นกระดูทั้งส่วนที่เป็นฝุน่นเอาบทให้ละเอียดเมื่อบทละเอียดดีแล้ว เอาใส่กระดงสลัดขึ้นบนฟ้านคะวรขโมงเลยตัวตนของเราอยู่ที่ไหนมันใจออกแล้วตั้งแต่เวลาใจขาดนันพวมาใจขาดใจขาดก็จริงใจของเราออกแล้วพอตายปั๊บก็อิต ก, ก็ออกเลย ไม่อยู่แล้วกายนี้เอาเอาไว้ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปตามวนาจบุญบาปทําบาปไว้ก็ต้องไปสู่ภูมิมันเป็นภูมิต่ําภูมิบาปภูมิอกุศลภูมิชั่วภูมิเลวทรามภูมิเลือดร้อนภูมิไม่ดีทั้งหลายเราจะได้ไปไปสู่ความเป็นสัตว์ดิลสานหูมากาไก่ เป็นเปรตเป็นอสุรากายเป็นสัตวรกนรกก็ละละละมีหลายขุ ม, มเรียกว่ามหานรกมหานรกมีอยู่แปดขุมสันตีวันรกเก้ า, ล, าล้านปีมนุษย์เท่ากับวันวันหนึ่งคือหนึ่งของสันตีวันรกเก้าล้านปีมนุษย์ เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสรรจีวนานลกการละสุตนานโลกโลกคุมที่สองสังคารตนานโลกขุมที่สามโลละานากขุมที่สี่มหาโลละานากคุมที่ห้าลึกลงไปตามลำดับนั้นนี่ ทุก็หนักตามลำดับตาปนานโกขุมที่หกมหาตาปนานโกขุมที่เจ็ดอเวกีมหานรกขุมที่แปดมหานรกมีอยู่แปดขุมใครอยากไปอเวกีมหานรกให้ทาบาปให้มากที่สุดให้ฆ่าบิดามด า, า, า, ารดาฆ่าพระอรหันทรทำร้ายพระพุทธเจ้า จนพระโลหิตห่อต้องได้ไปสู่นรกขุมลึกนี่คืออาวิจีมหารกแปลว่าอาวิจีอาวิจีแปลว่าไม่มีระหว่างเลยทุกข์นะไม่มีหยุดมีหย่อนติดต่อกันไปตลอดไ ม, มลไม่มีเวลาหายใจทิ้งเลยมีแต่ทุกข์ตลอดมีไฟนลกเผาไหม้อยู่ตลอด คนฆ่าบิดาก็ดีฆ่ามารดาก็ดีนี่ทำร้ายพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกจากกันทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อห้าอย่างนี้เรียกว่าอนันตรลียกรรมกรรมหนักที่สุดต้องไปไหมในมหานรกขุมที่แปดนี้ ไม่ว่าขุมนั้นลหละขุมแรกนี่ยก็นานแสนนานแล้วห้าร้อยปี น, นลกนะขุมแรกนี่ยห้าร้อยปี น, นลกมันนานขนาดนั้นแหละวันหนึ่งคือหนึ่งเ่ถึงเก้าล้านปีมนุษย์ สองวันสามวันถ้าเราไปตนกนรกสามวันจึงกลับมาบ้านเนี่ทุกอย่างมันสลายไปหมดไม่รู้วะไในเป็นอัไหนจาไม่ได้เลยว่าตร ง, น, น, น, ตรง น, น, นั้นเป็นตรงนั้นอันเป็นตรงนี้จาไม่ได้สักอย่างนี่แหละนี่คือใ จ, ใจที่มีกิเลสใจที่มีบาปมากเขาต้องไปใหม้ในนรก กิเลสมากก็ต่ำ ม, มากแหละถ้าสัตว์รักษรัพประพฤติผิดมิจฉาจารย์ทำบาปกรรมต่างๆดื่มสุราเมลัยโอหกหลอกลวงเป็นบาปทั้งนั้นถ้ามีบาปใจมีบาปเข้าไปสู่ภูมิมันต่ำถ้าใจหมดบาปเขาไปสู่ภูมิมันสูง นี่แหละให้พิจารณาดูเราเกิดมาเพื่อแก่เก็บตายเฉยๆไม่ได้ทําความดีไว้เสียประโยชน์เสียเวลาเราคิดว่าเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอย่างนี้เราคิดได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ทํามันจะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมละ่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นได้ไหมอืมมันเกิดไม่ได้เราบอกว่านึกถึงพระนิพพานตายแล้วไปพระนิพพาน มันก็ไม่ได้ไปนึกถึงก็เป็นเรื่องนึกถึงมันต้องปฏิบัติต้องทำตามคำสอนพุทธเจ้าจึงจะหมดทุกข์ได้จึงจะไม่ไปสู่ภูมิอันตำ่ำตัวตนของเราหายไปเลยทั้งกายทั้งใจใจนี่ก็ เกิดสืบต่อกันไปเรื่อยๆจนหมดเหตุหมดปัดจจัยนน่ะหมดสิ่งสนับสนุนหมดอวิชชาหมดตัณหาอืมมันถึงดับทุกข์ได้พอดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ผู้พ้นทุกข์ได้ก็ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต ผู้พ้นทุกหนีทุกได้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวะะัฏสงสารนี่ไม่ว่าเราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำความภาคความเพียรไม่ได้ทำความดีเลยเราจะพ้นทุกได้ไหม ถึงเราจะท่องว่าฉันจะพ้นทุกฉันจะพ้นทุกมันก็พ้นทุกไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนองพระพุทธเจ้าทํากินให้เป็นสมาธิแล้วไปพิจารณาพิจารณาจะเห็นความยิงชัดเจนขึ้นมาหินก็วางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าพ้นทุก ไปตามลำดับของบุญบารมีหรือความสงบทางใจของเราที่เราจะรู้และเข้าใจน่แหละความทุกข์เป็นของควรกาหนดรู้ทุกข์เนี่ยเป็นของควรกำหนดรู้ไม่ใช่ไม่ใช่หนีนะนั่งสมาธิเหน็ดเหนื่อยแล้วโอ้อยากกลับช่ไม่ไหว อันนี้หนีแล้วนี่เราหนีแล้วแต่ถ้าเออสู้เลยเราได้โอกาสแล้วหายากโอกาสนี้โอกาสแบบนี้หายากเราเล่งความภาคความเพียรตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนเกิดอาจเกิดทาขึ้นมาในใจของเราอันนั้นแหละเรือรู้มาได้มากได้ผลขึ้นมาในใจของเรา นั่นแหละเราจึงจะเบาใจได้ตราบใดที่ยังไม่ได้มากได้ผลหรือว่าไม่ได้บรรลุไม่ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ยังไม่แน่นอนอยู่ชีวิตของเราไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะมายังไงไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละให้ทาให้ปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้มีมากมีผลเกิดขึ้น รู้เป็นของควรกำหนดรู้ให้ทำาของเข้าใจเพียงเท่านี้แหละก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อไปได้ในการใดพวกเธอทั้งหลายจะเป็นผู้คุ้มครองตะาวาันในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาป ก็จะไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจะต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดเธอพึงตั้งความตรตรึกตางใจไว้ในกระดองกล่าวคือฐานที่ตั้ง แห่งการงานของจิตฉะนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้วนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายจิตใด ที่สัต์สดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลยนี่แหละว่าจากเครื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลาย